เพื่พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเรามาประชุมกันในสถานที่นี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกตนให้เป็นคนเข้มแข็งในการปฏิบัติธรรม เพื่อละกิเลสตัณหาออกจากดวงกิจนี้เราไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นก็ให้นึกในใจอย่างนั้นทุกคนเพราะกิเลสมันเป็นศัตรูของชีวิตบุคคลผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วสมมักจะ นำตนเองให้ไปทางที่ต่ำมันจะไม่สูงขึ้นไปได้กิเลสมันดึงให้ต่ำลงแต่ธรรมะนั้นดึงให้สูงขึ้นทางไหนมีกำลังปวกันทางนั้นมันก็เอาชนะได้ แต่แล้วมันก็มีใจเป็นประธานไม่ใช่มันเป็นเองกิเลสนะ้นน่ใจสังหกสร้างมันขึ้นมามันจึงมีอิทธิพลได้ถ้าใจไม่สร้างมันขึ้นมาแล้วมันมีไม่ได้เลยมันใจนี่ มันหลงยึดหลงถือมาตั้งแต่ชาติก่อนหุนหลังนู่นแต่ชาติก่อนมันก็ละไม่ได้มันถึงได้ติดตามมา <c oughs> มันยึงพามาเกิดในชาตินี้กักกิเลสนั่นแหละพามาเกิดถ้าหากว่าหมดกิเลสแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกกัน แต่บางคนก็ชอบเกิดบบนี้พ อ, อมาปราบถึงความไม่ต้องเกิดอีกนี่ตกใจหวามหวั่มันเสียดายความเกิดแต่นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า ทุกขาชาติปุนับปุนังความเกิดขึ้นบ่อยๆนี่ย่อมเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาชาติใดก็เป็นทุกข์ชาตินั่นเนี่ยแต่ความเห็นของปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสตัณหามันนุนเห็นว่า เกิดมาแล้วก็มีความสุขสนุกสนานอยู่อาศัยกรรมมาคุณเป็นเหยื่อล่อทำให้ติดอยู่ในสงสารนี่ตัณหาคือความทยานอยากนั่นนี่ที่ว่าเป็นเหยื่อล่อทำให้ดวงจิตนี่ติดอยู่ในโลกสงสารอันเนี้ย โดยเฉพาะกระติดอยู่ในขันห้านี้เองเนี่ยทำไม่ชื่นชมยินดีในขันห้าอันบุญกุศลตกแต่งให้มาบุญกุศลนี่มันก็ตกแต่งให้มีรูปร่างมีธาตุสีขันห้าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ บุญกุศลกระบำลุงให้มีกำลังวางชาเดินเหินไปมาได้สะดวกกินได้นอนหลับส่องเสรการมคุณได้สนุกสนานความสุขสนุกสนานชั่วคราวนี่แหละ เป็นเหยื่อล้อให้ติดอยู่ในทุกข์เพราะว่ารูปร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงจะอาศัยมันสนุกสนานอยู่ไปไม่ได้นานเท่าไหร่นักเนี่ยมันเกิดสำรุดสุดโสมลงเมื่อมันสำรุดสุดโทมลงแล้วทุกคนก็ไม่พอใจ ไม่พอใจในความชำรุดของร่างกายแต่ก็ทำยังไงได้มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังก็มีแต่ทุกโทมนัดอยู่เท่านั้นเองอันนี้แหละที่ว่าตัญหาเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกขตัญหานี่มันเป็นปัจจัยบังเกิดอุปาทาน คือเมื่อความอยากมันมีในใจมากๆมันละความอยากแล้ไม่ได้มันก็ยึดถือนามรูปอันนี้ไว้ด้วยความยินดีพอใจเมื่อมันยึดถือไว้โดยความยินดีพอใจมันก็ใช้กายนี้ เ, เพิดเพลินมัวเมาไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลก อาศัยกายนี่แหละเป็นเครื่องเพลิดเพลินในโลกนี้ถ้ า, าว่าไม่ได้อาศัยรูป ก, กายอันนี้แล้วก็คงไม่ได้เพลิดเพลินแน่นอน mm hmm. เนี่ยเมื่อร่างกายอันนี้มันให้ได้อาศัยอยู่ชัว่วลนะระยะหนึ่งก็ลงสำคัญว่าร่างกายนี่มันให้ความสุขแก่ตนสนุกสนานดี ก็มีเยื่อล่อเยื่อล่อสางๆภายนอกนั้นก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจในโลกที่มนุษย์เราผลิตมันขึ้นมาเช่นภาพพยนต์การร้องรำทำเพลง ต่างๆดีสีที่เป่าต่างเรียกว่ามโหรสศควบกานต่างๆหมดเนี่ยล้วแต่เป็นเหยื่อล่อให้ดวงจิตของคนเราเนี่ยติดอยู่ในทุกข์ทั้งนั้นเลยหนีจากทุกข์ไม่ได้คือติดอยู่ในขันห่านี่พูดง่ายๆหนีจากขันห่านี้ไม่ได้ ท่องเที่ยวมาอาศัยขันห่านี่เกิดขึ้นมาอาศัยความหลงความเมาเป็นเหตุอาศัยขันห่านี่เกิดขึ้นมาแล้วก็อาศัยขันห่านี่เพลิดเพลินมัวเมาไปไม่ได้ทําคุณงามความดีเท่าที่ควรมาเกิดแสวงหาแต่ความสนุกสนานชั่วคราว เป็นส่วนมากไม่ไดส้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีให้เพิ่มพูนบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นในตนนี่อนุภาพแห่งความหลงความเมาเพิ่มเข้าครอบความจิตใจของใครแล้วทำให้ผู้นั้นเหินห่างจากการสร้างบุญบา ร, รมี เป็นอันว่าเกิดเล่นตายเล่นมาในสงสารขณานานับชาติไม่ทวนบุญบารมีก็ไม่เต็มสักทีทั้งนี้ก็เพราะอาศัยความเพลิดเพลินมัวเมาในกามคุณนั่นเองอบางคนก็ว่าธรรมดาผู้ครองเรือนจะไม่ให้เพลิดเพลินไปใน รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่มันจะได้อย่างไรเพราะมันอยู่ในสถานที่แวดล้อมของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองไม่ใช่นักบวชบางคนก็อาจจะวิจารณ์กันไปอย่างนั้นแหละแต่ในที่นี้ไม่ไม่ได้หมายอย่างนั้น ไอความเพลิดเพลินนี่มันก็เป็นธรรมดาของผู้ครองเลือนผู้ยังยินดีอยู่ในกรรมคุณทั้งหลายแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้รู้จักประมาณให้พอดีพอ ด, พอดีอย่าให้เกินขอบเขตความสนุกสนานนี่กให้เป็นครั้งเป็นคราว อย่าไปลืมตัวไอ้คนส่วนมากนั่นมันก็เช่นเดียวกันกันกบดื่มเหล้าเมาสุรานี่แหละเมื่อลงได้ดื่มเข้าไปแล้วทีแรกมันก็นิดนิดหน่อยๆน่อยไปนั่นนานไปมันก็ค่อยประเดิมขึ้นไปเรื่อยๆดื่มนิดหน่อยไม่พอก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีก มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับอย่างนี้มันยับยั้งใจไว้ไม่ได้เลยกามคุณทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครยินดีในโลกก็เช่นเดียวกับสุรายาเมานั่นเองเนี่ยเมือ่อคนได้ซ่องเสีเข้าไปแล้วมันติดเข้าไปติด รสธิ์ชาติแห่งสัมผัสต่างๆหมู่นั้นเข้าไปมีแต่มันไปเรื่อยๆไม่มีทางเบื่อหน่ายมีแต่เพลิดเพลินมีแต่มัวเมามีแต่เพิ่มเติมความรักความใคร่ให้มากขึ้นโดยลำดับจนบางคนก็ได้ล่วงสินห้าข้อที่สามนั่นแหละ มันไปทำชู้จากภรรยาของตนหรือไปทำชู้จากสามีของตนโดยไม่อวันเกรงต่อความชั่วมันจะมาตามสนองเอาในภายหลังนั่นแหละหผู้เพลิดเพลินมัวเมาในกรร ม, มคุณเกินขอบเขตมันก็เป็นเหตุให้ได้ทำบาปให้ล่วงสินห้าข้อนั่นแหละ บางทีบางคนก็ล่วงหมดทุกข้อเลยบางคนก็ล่วงเป็นบางข้อไปอันนี้นะะ้าป้าเป็นสิ่งที่ควรคิดกันอันที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักประมาณนั่นน่ะหมายความว่าอย่าให้ผิดศีลผิดธรรมนั่นเองเ่ยทำอะไรไปถึงจะมีการเพิดเพลิน ก็จะให้ผิดศีลผิดธรรมก็แล้วกันก็จะให้ผิดศีลแต่ผิดธรรมนั่นมันก็ผิดอยู่วันยังค่ำแหละเพราะความเพลิดเพลินมัวเมานี่มันมันผิดธรรมะข้อที่ว่าสำรวมอินทรีย์หกนั่นแหละตาหูจมูกกลิน้นกายใจไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายไปในรูป เสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสธรรมารมต่างๆแต่ว่าหากว่ามีศีลเป็นเครื่องสกัดกั้นไว้การผิดธรรมะของก็เรียว่าผิดไปอย่างละเอียดอันอยางยาบนั่นเป็นอันว่าละได้ คือว่ายินดีในการมาคุณจนพเพนเดได้ทำให้ได้ทาบาปดังกล่าวมานน่น่ะถ้าเป็นผู้มั่นอยู่ในศีลแล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปอย่างนี้แหละก็ให้พากันพิจารณาหเห็นเป็นขั้นตอนไปสำหรับนักบวชแล้วนับว่าต้องสำรวมระวังให้หมดเลยความเพลิดเพลินมัวเมาทั้งหลาย ต้องสกัดกั้นไว้หมดซึ่งจะไปทำเหมือนอย่างคารือหัดผู้คลองเรือน้นไม่ได้เนื่องจากว่าเพศบรรทชิตนี่มันเป็นเพศอันอุดม ม, มันเป็นเพศอันอุดมดังนั้นถ้าหาก็ไปแสดงบทปาท เยี่ยงอย่างคฤหัตผู้ครองเรือนแล้วชาวบ้านคฤหัดทั้งหลายเขาจะไม่เคารพนับถือเขาจะไม่ถวายปัจจัยสี่เลยพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้จะ ต, ต้องเสื่อมโทรมลงไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติ สิกขาบทห้ามไว้ไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาไปดังนั้นผู้เป็นนักบวชนะควรสำนึกตัวเืว่อตนได้มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้มาท ร, ทรงไว้ซึ่งอุ ด, ด ม, ม, าดด ม, มาภาพากาสาวพัฒนี ท่านกล่าวว่าเป็นธงชัยของพระอระหันต์ดังนั้นควรสำนึกตนไว้เสมอเมื่อผู้ใดสำนึกได้อย่างนี้ผู้นั้นก็สำรวมตนเต็มที่เลยห้ามจิตได้ไม่ให้หลงยินดีหลงยินร้ายไปตามรูปเสียงเป็นต้นที่กระทบในตาเป็นต้นดังกล่าวมา สำหรับผู้ครองเรือนแล้วไม่ล่วงสินห้าข้อนั้นไปแั้วก็ยังผ่อนผันได้ไม่มีโทษไม่เหมือนอย่างนักบวชนักบวชยังนั้นยังมีวินัยห้ามให้สำรวมระวังตนยิ่งไปก่าขัดสินห้านั้นไปอีกมันแตกต่างกันอย่างนี้ เพราะฉะนั้นควรพากันเข้าใจไว้แต่ผู้ครองเรือนทั้งหลายก็ดีไม่ควรที่จะโมเมเอว่ามาห้ามเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่สามารถที่จะยื่นมือไปทำอะไรได้เคลื่อนไหวกายวาจาอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนิ ความเป็นอยู่ของคนเราก็แตกต่างกันไปด้ว้ความประพฤติมันก็ย่อมแตกต่างกันเพศดูแต่สีผ้าที่นุ่งห่มมันก็แตกต่างกันไปเอานักบวชนี่ต้องโกนผมโกนคิว้วคะรืหัดไม่ต้องโกนแถมยังไว้ผมยาวเฟื่อย อ, อีกด้วยนุ่น ون. บางคนก็นไว้หนวดเคร้าวเอาจนยุ่งเหยิงไปหมดยังไม่เห็นความรำคาญแต่นักบวชนี่มีพระพุทธเจ้าเนีนะ่ยพระ อ, องค์พาดำเนินมาพระ อ, องค์ทรงชี้แจงให้พุทธบริษัทหรือสาวกทั้งหลายฟังว่าผมเผาหนวดคร้าเป็นของรุงรังนี่สำหรับบรรพชิตเนี่ย ถ้าไปขืนไห้ผมไว้เข่าอย่างนั้นน่ะก็เป็นภาระที่จะต้องชำระล้างสะสางกันบ่อยๆเป็นกั ง, งวลทำใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยดังนั้นน่ะนักบวชนี้จึงต้องโกนผมโกนคิ้วออกไปหมดเพื่อไม่ให้มันรุงรังเพื่อให้แตกต่างจากชาวบ้านด้วย ว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติดังพรหมไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆย่อมมีเพศอย่างนี้ย่อมมีความเป็นอยู่อย่างนี้มักน้อยสันโดษชอบสังงัดปรารกความเพียรพยายามบรรเทาคเลตัญหาให้น้อยเบาบาง ออกไปจากดวงจิตนี้ไม่เห็นแกหลับไม่เห็นแกนอนขจัดความง่วงเหงาหานอนออกไปจึงชื่อว่าเป็นผู้ปรารจกความเพียรถ้านั่งภาวนานะนั่งหลับอยู่เฉยไม่ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียร นี่แต่ความเป็นอยู่ของนักบวชและความเป็นอยู่ของผู้ครองเรือนมันก็แตกต่างกันไปดังนั้นจึงประพฤติไปตามภาวะของตนของตนก็แล้วกันคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นย่อมมียืดหยุ่นได้พระองค์ทรงสแสดงธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนก็ ก็มีเอทรงแสดงธรรมสาหรับนักบวชโดยตรงก็มีทรงแสดงธรรมสา ห, หรับเหมาะแก่ทุกเพศทุกวัยก็มีแต่ว่าธรรมะบางอย่างนั้นนักบวชก็ต้องปฏิบัติตามคฤหัสถ์ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนี้ลองสังเกตดูก็ได้ <c oughs> แต่ธรรมะบางอย่างนั้นเหมาะสมแต่นักบวชก็มีแต่บางอย่างก็เหมาะสมแต่คฤิหัดก็มีถ้านักบวชไปทำเช่นนั้นก็ผิด <c oughs> ดังนั้นทุกคนก็ต้องเรียนรู้ข้อปฏิบัติอันเหมาะสมแก่ภาวะของตนแล้วก็ลงมือปฏิบัติสารวมระวัง ไปตามข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ตนนั้นเสมอเสมอไปแล้วก็พยายามให้ก้าวหน้าเรื้อยไป mm hmm. ไม่ไม่ให้ถอยหลังเนี่ยสำคัญมากทีเดียว <c oughs> เพราะคนส่วนมากนั่นน่ะ เมือ่อแกตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อปฏิบัติไปทำไปขาดสติสมบทญญาความระลึกถึงตัวของตัวเองความระลึกอยู่ในสติประฐานสี่ไม่มีเมือ่อแใช้สติระลึกไปแต่ภายนอกนูน่น ระลึกยินดีพอใจไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆมูนี่เมื่อปล่อยจิตให้ระลึกไปในอารมณ์ภายนอกอย่างนั้นมันก็มีทางเสื่อมเท่านั้นเองเนี่ยจิตใจก็ไม่เป็นสมาธิเมื่อใจไม่เป็นสมาธิแล้วมันก็ฟุ่งซ่านเลื่อนลอยเท่านั้นน่ยมันจะมีอะไร เมื่อใจไม่สงบแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้เลยนักบวดนี่นั่นแหละมูลเหตุมันเส่อมก็เพราะขาดการสำรวมอินทรีย์แม้เป็นครือหัดก็เหมือนกันแหละการที่บุคคลผู้เป็นครือหัดจะถูกกิเลสตัณหาอันหยาบท้าลามกครอบงำจิตใจได้ ก็เพราะขาดการสำรวมระวังกายวาจาใจนี้เองแหละโดยเฉพาะขาดการสำรวมใจเมื่อปล่อยใจให้ยินดียินร้ายมากๆขึ้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้ล่วงศีลได้ล่วงทำได้เช่นเดียวกันความสำรวมระวังนี่จึงเสียว่าเป็นหน้าที่ ของทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่เลือกดังนั้นพึ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวัฒาสนาบารมีของคนเราเป็นเกณฑ์อีกส่วนหนึ่งบางคนบุญน้อย อาเพื่อนชักจูงอย่างไรอย่างไรก็เอาตามไม่ได้ออย่างนั้นมันก็เหลือวิสัยก็ไปตามยถากรรมไปบางคนมีบุญราชสนามที่ได้ส่งสั่งสมอบรมมาแต่ก่อนนั้นมากพอสมควรอย่างนั้นก็น่าว่าพอจูงกันไปได้อ่ ก็ยินดีในการฝึกตนไม่เบื่อหน่ายต่อการทําความเพียรละชั่วทําดีคนมีบุญมากเป็นอย่างนั้นคนมีบุญมากนี่มันเกลียดต่อความชั่วบุญนั่นแหละเตือนใจให้เกลียดต่อความชั่วเกลียดต่อความทุกข์ปรารถนาที่จะขจัดความชั่วออก จากลายวาจาใจของตนให้หมดไปสิ้นไปต้องการแต่ความดีใส่กายวาจาใจของตนไว้โดยส่วนเดียวนี่คนมีบุญมากเป็นอย่างนั้นอุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้มีความรู้ความฉลาดมาก มีฐานะสูงอย่างนี้แหละก็ย่อมเป็นผู้มีร่างกายอันสะอาดสะอ้านอยู่เสมอเพราะว่าถ้าพูดอีกน่งในหนึ่งเขาก็เรียกว่าขุนนางมันเป็นเจ้าเป็นนายไม่ได้กลับฝนทนแดดทำงานอันหยาบๆยาเหมือนอย่างไพ่ฟ้าราษฎร เช่นนี้เน่ะก็มักจะรักษาความสะอาดของตนไว้ได้เสมอไปอืมซึ่งไม่เหมือนอย่างชาวนาชาวสวนอันนี้ไปคุกคีอยู่แต่ป่าเขาลําเนาภัยคุกคี่อยู่แต่ทุ่งไร่ทุ่งนาเกลือกลัวอยู่ด้วยโคลนจมต่างๆจะทําตนให้สะอาดเสมอไปไม่ไดอ้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ เพราะฉะนั้นควรพากันสำนึกดูให้ดีแต่ผู้ที่มาเป็นนักบวดนี้นับว่าเป็นผู้มีบุญวาสนามากพอสมควรทีเดียวจึงได้มารับเอาผ้าไกรจีวรอันเป็นธงชัยของพระอราหารนันต์นี้เรียกว่ารับมรดกจากพระบรมศาสตราก็แล้วกันเพราะฉะนั้น ผู้ใดนึกได้อย่างนี้แล้วก็เพิ่งตั้งอยู่ในอภมาทธรรมคือความไม่ประมาทสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อยู่ในศีลอยู่ในคุณธรรมอันสูงส่งดังแสดงให้ฟังมานั้นก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามในพระธรรมวินยัยยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา